สงก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงก็ได้เวลาถวายพัตหารเพบนบรรดาแม่ครัวช่วยกันลาเลียงอาหารหวานขาวออกมาวางตรงเบื้องหน้าพระภิกษุสงฆ์จากนั้นนายผ่องจึงเชิญชวนญาติโยมกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลําดับกล่าวเสร็จพวกผู้ชายช่วยกันประเคนอาหารหวานขาวเหล่านั้น แล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆสมณะทั้งเก้ารูปกล่าวคำพิจารณาบินทบาทก่อนลงมือฉันเจ้าคุณเกษมติดใจรสชาติของปลากุ้งเสียจนลืมกำหนดรสหนอและดูเหมือนจะฉันได้มากกว่าอาหารจานอื่นๆส่วนเจ้าคุณโชดกไม่ได้โปรดอะไรเป็นพิเศษเมื่อพระสงฆ์ฉันพัตหารเสร็จและยถาสัพพี ตามธรรมเนียมแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนายพ่องเรียนถามว่าท่านเจ้าคุณจะรีบกลับหรือเปล่าครับหากไม่รีบกลับผมข อ, อนิมนต์อยู่สนทนากันอีกสักพักค่อยกลับเจ้าคุณโชดกจึงถามเจ้าคุณเกษมว่าเจ้าคุณมีธุระด่วนรออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็อยู่ฉลองศรัทธายมเขาอีกสักพัก ไม่มีรอกครับนิมนต์ตามสบายเจ้าคุณเกษมตอบพระอุดมวิชยานจึงถามพระภิกษุอีกเจ็ดรูปว่ารูปอื่นๆมีใครจะรีบกลับไหมไม่รีบครับผมอยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อผู้ตอบคือมหาหนูพระเจริญละ่ะท่านถามรูปที่นั่งท้ายสุด ไม่มีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มตอบอันที่จริงท่านก็อยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อเช่นเดียวกับพระมหาหนูดังนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงบอกในผ่องว่าตามสบายโยมว่าแต่โยมไม่รับอาหารก่อนหรือประเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปจะมาโทษอาตมาไม่ได้นะเจ้าคุณวัยสี่สิบเป็นห่วงสุขภาพโยมวัยแปสิบสี่ ผมยังไม่หิวหรอกครับปกติผมรับข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองยังอยากเล่าเรื่องสมเด็จอีกพอผมเล่าให้ลูกๆฟังทุกคนแต่พวกวีพีก็ล้มหายตายจากไปหมดกริ้งว่าถ้าผมตายไปอีกคนจะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้สมเด็จท่านเล่าอะไรอะไรให้พ่อผมฟังหลายาเรื่องพ่อก็มาเล่าต่อพวกผม บุรุษวัยเจ็ดรอบแสดงเจตนาว่าอยากเล่าเจ้าคุณโชดกจึงฉลองศรัทธาด้วยการบอกเขาว่าเงินก็ขอเรื่องที่โยมคิดว่ายังไม่มีคนอื่นรู้ก่อนแล้วกันไหนโยมลองเล่ามาสิมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องสมเด็จท่านสอนกรรมฐ า, านให้แม่นาคท่านเจ้าคุณเคยฟังหรือยังครับคนอยากเล่าถามไม่นาาไหน หวังว่าคงไม่ใช่แม่นาคพระขนงนะใช่ครับแม่นาคพระขนงที่อยู่วัดมหาบุตรนั่นแหละครับงั้นก็เล่าไปเลยอาตมายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสมเด็จท่านไปสอนกรรมฐานให้แม่นาคตอนไหนตอนที่ท่านอยู่วัดระครังนั่นแหละครับตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่และเป็นเจ้าคุณธรรมกิตติยังไม่ได้เป็นสมเด็จ ท่านเล่าให้พ่อผมฟังอย่างละเอียดท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงคิดว่าแม่นาคเป็นผีดุความจริงแล้วแม่นาคไม่ใช่ผีดุแต่คนไปทำให้แกดุไม่ความว่ายังไงเจ้าคุณเกษมถามเพราะได้ยินเขาเล่าลือกันว่าผีแม่นาคนั้นดุร้ายเที่ยวอารวาสชาวบ้านร้านถิ่น จนคนกลัวกันไปทั่วทั้งเมืองไม่ความว่าตอนแกตายใหม่ๆแกไม่เคยหลอกใครแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมามักหลอกกันเองหลอกว่าผีวอยผีไม่นากมาวอยแล้วก็พากันวิ่งไม่น่ากแกรำคาญที่คนเอาแกมาล้อ ก, กันเล่นก็เลยลุกขึ้นมาลอกจริงๆสมเด็จท่านสอบได้ ย, ยังไง พระอุดมวิชยานถามท่านบอกพ่อผมว่าไม่นากมาเล่าถวายครับทีนี้พ่อแม่นากอลาวาดนักเขา้าคนก็หาหมอผีมาปราบแต่กี่หมอกี่หมอก็ปราบไม่อยู่แถมบางคนถูกแม่หนากปราบเสียอีกคนก็ขวัญห น, นีดีฟอไม่เป็นอันรรมาหากินนิมน์พระวัดไหนไปปราบก็ไม่สำเร็จ ในที่สุดจึงมีคนมานิมนต์ท่านไปปราบแล้วท่านไปไหมมหาหนูซักท่านไม่ไปหรอกครับท่านรับปากพวกเขาว่าจะปราบให้แต่ท่านไม่ต้องไปที่วัดมหาบุตรท่านบอกพอตกกลางคืนท่านก็นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปเรียกแม่นาคาถาที่ท่านใช้เรียกไม่นาคือเมตตาคุณ น, นาง อรหังเมตตาบทนิครั้งมากพอผมยังนำไปใช้เป็นคาถาที่กันผีได้ทำให้คนรักก็ได้พอท่านแพศเมตตาไปผีไม่นากมหาท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยผมยาวท่านก็ต่อว่าแม่น่าที่ไปก่อกรรมทำเข็นและถามว่าทำไมจึงต้องไปทำอย่างนั้น ไม่นาาจึงกราบเรียนให้ทราบว่าแรกๆแกไม่ได้เป็นผีดุแต่คนมาลอ ก, กันบ่อยๆโดยเอาชื่อแกไปอ้างแกก็เลยโกรธแกยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าผีก็เหมือนกับสุนัขที่สุนัขดุก็เพราะคนชอบไปแกล้งไปแย่มันเลยทำให้มันนิสัยเสียจากไม่ดุก็กลายเป็นสุนัขดุ ยากไม่เคยกัดใครก็เป็นกัดไม่เลือกหน้าผีก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาเอาชื่อไปล้อเล่นก็เลยต้องกลายเป็นผีดุฟังในพ่องเล่าพระเจริญนึกถึงคำพูดของโยมยายที่ว่าถ้าผีรักหมาก็รักด้วยผีก็คงจะเหมือนหมาอย่างที่แม่น่าแกะกราบเรียนเจ้าคุณธรรมกิตินั่นกระมัง เจ้าคุณธรรมกิติท่านก่ออบรมสัง่งสอนแม่นาคแล้วก็ขอบินทบาทไม่ให้แม่นาคหลอกล้อนใครอีกแม่นาก็ให้สัญญาและขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้เพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีท่านก็สอนให้ทุกคืนกระทั่งเกิดเรื่องคนเล่าหยุดไปเฉย พระเจริญกำลังฟังเพลินจึงพูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อเถอะกำลังสนุกเกิดเรื่องอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่าคนจะเล่าต่อดีหรือไม่เพราะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามของพระสงฆ์แต่สมเด็จท่านเล่าให้พ่อผมฟังจริงจริงครับพระอุดมวิชยานจึงกล่าวอนุญาตว่าเล่าไปเถอะโยมอัตมาจะทําใจเป็นกลาง ไม่อคติกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโยมว่าไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ยินได้ฟังมาก็แล้วกันครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีอคติต่อพระสองฆ์องค์เจ้าผมเพียงแต่จะเล่าไปตามข้อเท็จจริงแล้วข้อจริงเล่าต่อว่าคือพวกพระเนนกลมหนึ่งมีจิตโดยสยาเจ้าคุณธรรมกิตติและต้องการให้ท่านซึ้ง โดยหวังจะได้ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังมาให้กับพวกตนจึงถือโอกาสใส่ร้ายปลายสีว่าทันพาผู้หญิงเข้ามาไว้ในห้องแล้วก็พากันแอบดูวันหนึ่งก็พร้อมใจกันมาล้อมกดติเพื่อที่จะจับให้ได้คาหนังขาเขาเจ้าคุณท่านก็ทราบแต่ทันไม่ว่ากราไรพระเนนเหล่านั้นก็ได้ใจจึงพากันมายืนอยู่ใต้ทุน แล้วตะโกนขึ้นมาว่าสมภารปราชิกเจ้าคุณธรรมกิติจึงบอกแม่นาคให้จัดการแม่นาก็กราบเรียนว่าดิฉันทำไม่ได้เพราะท่านเจ้าคุณสอนดิฉันให้มีเมตตาและดิฉันก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิอกก่อกรรมทำเข็นเจ้าคุณธรรมกิตติจึงอธิบายว่าคนพวกนั้นเป็นคนชั่วตั้งใจจะทำลายพระาศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของสาธุชนที่จะต้องปราบให้ราบขาบับไม่นาจึงเอื้อมมือยาวๆลงไปตรงร่องกระดานไปจับหัวเนรูรปหนึ่งจับแล้วก็บลอยแล้วไปจับหัวเนรอีกรูปหนึ่งทั้งพระทั้งเนรพากันวิ่งกระเจิงชนกันหัวร่างค้างแตกนับแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใด กล้ามาลองดีกับท่านอีกหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์แต่คนนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตเพราะฉายาเดิมของท่านคือโตพรหมรังสีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงเรียกสมเด็จว่าครัวโต และก็ดูเหมือนว่าท่านชอบให้เรียกอย่างนี้เวลาคนไม่รู้จักท่านท่านก็จะแนะนำตัวว่าท่านคือครัวโตท่านไม่ถือตัวเลยครับพอผมนิมนต์มาทบุญหลายครั้งและประทับใจกับภาพที่ท่านกามือแล้วสอนว่าคนเราก็มีแค่สองกมเท่านี้และคือกาปากกับกำทอง เพราะสองกรรมนี้ทำให้คนทำกรรมดีหรือกรรมชั่วพ่อเลยหาช่างมาหล่อรูปทันไว้บูชาภายหลังคนที่กรบนับถือท่านก็นำไปหล่อต่อๆกันไปอีกนายผ่องเล่าความเป็นมาของรูปหลอ่อโลหะสมเด็จโตในอิริยาบถกรรมมือตั้งขึ้นแล้วโยมรู้เรื่องพระสมเด็จไหม ที่คนเขาพากันหาเชาวเขาบอกว่าพระสมเด็จครั้งท่านเล่าเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอาตมาอยากรู้เจ้าคุณกเกษมถามขึ้นก็ทราบมาบ้างเหมือนกันครับท่านเล่าว่าเวลาท่านบินทบาทคนถวายดอกไม้ถูกเทียนมาท่านก็นำมาบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ท่านจะไม่ทิ้ง ท่านจะนำไปตากแห้งแล้วโคลกให้เป็นผงเวลาลุกสิทธิ์ลุกหาจะสร้างพระก็จะมาขอผงจากสมเด็จมีอยู่รายหนึ่งที่ท่านเล่าให้พ่อผมฟังคือยายแฟงแกใส่บาตรสมเด็จทุกวันจนรู้จักกันดียายแฟงมีอาชีพขายผักอยู่ในตลาดวันหนึ่งแกก็บนให้สมเด็จฟังว่า ขายไม่ค่อยดีอยากขอพระสมเด็จซักองค์เพื่อจะขายของดีสมเด็จท่านก็บอกว่าอยากร่าอยากรวยก็ต้องทําต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ไปเที่ยวขอคนอื่นคือท่านต้องการสอนยายแฟงให้สร้างความเพียพรพยายามด้วยตนเองแต่ยายแฟงไปเข้าใจว่า สมเด็จให้แกไปสร้างพระเองก็ขอผงไปจากสมเด็จท่านก็ให้ไปยายแฟงแกก็เอาไปทำโดยใช้ส่วนผสมต่างๆตามที่สมเด็จบอกซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ความที่แกๆ ก, ก็เลกโคลกไม่ละเอียดแล้วก็ปั่นบดๆเบียเบ้ยวๆเพราะตากแหงก็นำมัถวายสมเด็จจำนวนหนึ่ง ที่เหลือแกก็เก็บไว้บูชาแล้วกดแจกลูกล้านไปบ้างผลปรากฏว่าพระบุตรเบียเบ้ยวของยายแฟงกลับครั้งใครได้ไปบูชาพากันร่ำรวยทันตาเห็นโดยเฉพาะยายแฟงซึ่งเป็นคนสร้างจากขายของไม่ดีก็กลายเป็นขายดิบขายดีต่อมาแกก็เลิกขายผักมาเปิดร้านเสริมสวย ร้านเสริมสวยของแกก็คือสำนักนางคณิกาแกก่อรวยขึ้นรวยขึ้นกระทังเก็บเงินสร้างวัดได้วัดหนึ่งซึ่งสมเด็จท่านประธานชื่อว่าวัดคณิกาผลเพราะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเหล่านางคณิกาวันทำบุญฉลองวัดย้ายแฟง่านิมนต์สมเด็จไปเทศสมเด็จท่านก็รับนิมนต์ พอขึ้นธรร ม, มาทท่านก็ตังนโมสามจบแล้วเทศว่ายา ย, ออยายแฟงเอ๋ยยายแฟงขายผักขายแตงอยู่ในตลาดต่อมาก็มาทาร้านเสริมสวยร่ารวยเงินทองกระทั่งสร้างวัดคณิกาผลขึ้นอานิสงที่ยายแฟงได้ในครั้งนี้คิดเป็นเงินสลึงเฟื้องยายแฟงได้ฟังกกคานสมเด็จว่า แกสร้างวัดหมดเงินหมดทองไปหลายร้อยชั่งทำไมได้บุญแค่สลึงเฟืองสมเด็จตอบว่าเพราะแกเป็นแหม่เล้าเอาเปรียบคนอื่นหากินด้วยเรี่ยวแรงของคนอื่นเมื่อแกเอาเงินนั้นมาทำบุญก็เลยเป็นบุญของคนอื่นส่วนแกได้แค่นายหน้าราคาสลึงเฟือง ยายแฟงก็โกรธหน้าเป็นม้าหมากรุกสมเด็จเห็นยายแฟงโกรธก็หัวเราะชอบใจเพราะคุ้นกันมาตั้งแต่แกเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดตอนหลังที่แกมาตั้งสำนักนางคณิกาแกก็มีชื่อเสียงเป็นเท่ร้จักของบรรดานักเที่ยวกลางคืนพ่อเล่าว่าเพื่อนของพ่อหลายคนยังเคยเป็นลูกค้าของแก คนเล่าเล่าพลางหัวเราะหึหๆถ้าอาตมาเป็นโยมก็คงจะถามว่าพ่อละเคยไปอุดห น, นุนแกบ้างหรือเปล่าพระที่นั่งถัดจากมหาหนูพูดขึ้นพ่อคงไม่กล้ารอกรับทันแม่ผมดุยังกับเสือพ่อกลัวแม่ยังกับหนูกลัวแมวในพ่องพูดถึงมารดาบิดาผู้ล่งลับแต่อีฉันว่าดีนะจ๊ะ หัวที่กลัวเมีย น, น่ะเจริญนางบัวลอยลูกสะใภ้ของนายผ่องพูดขึ้นนางเพิ่งเข้ามาสมทบหลังจากไปดูแลแขกเรือให้รับประทานอาหารกันอย่างทั่วถึงแล้วจเจริญยังไงล่ะโยมพระเจริญถามในฐานะที่ท่านชื่อจเจริญก็จเจริญรุ่งเรืองสิจะาทำมาค้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำบาปด้วยเพราะเมีจะคอยกากับเช่น ห้ามไม่ให้กินเหล้าเมายาห้ามไปทำเจ้าชู้ประตูดินผิดลูกผิดเมียเขาถ้าผัวคนไหนไม่กลัวเมียก็จะไม่เชื่อและเที่ยวไปทำบาปทำกรรมก็จะเสียทั้งเวลาทำมาหากินเสียทั้งชื่อเสียงวงตระกูลและตายไปก็ต้องตกนรกอีกจริงไหมจ๊ะพ่อไอหนูนางหันไปพูดกับนายพึ่งผู้ซึ่งเดินตามรอยบิดาในเรื่องกลัวเมียแกก็ามาทาไมละ่ะ ไปดูแขกเรือไปเรื่องของผู้ชายเขาแกไม่เกี่ยวในพึ่งไล่เมียเพราะรู้สึกอายที่คนเป็นเมียพูสอดขึ้นมาข้าก็อยากฟังบ้างสิขอฉันฟังด้วยคนนะพ่อนะนางหันไปขออนุญาตพ่อผัวแล้วแต่เองจะตกลงกับไอพึ่งมันเถอะเรื่องของผัวเมียข้าไม่เกี่ยวแต่ข้าก็เห็นด้วยกับไอพึ่งมันว่า เป็นเรื่องของผู้ชายอีกอย่างก็มีพระมีเจ้าอยู่ด้วยไม่สมควรที่เองจะเข้ามารวมฟังในผ่องบอกลูกสะพ้างั้นเข้าไปก็ได้นางกราบปลุกปลุกสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปด้วยท่าทีที่ไม่ใครพอใจนะักเมียออกไปแล้วในพึ่งจึงพูดขึ้นว่าผมต้องขอประทานโทษพระคุณเจ้าด้วยที่เมียผม มาทำให้การสนทนาต้องหยุดชะงักลงนางคนนี้มันร้ายกาดเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้โยมจะกล้าพูดอย่างที่ว่าไหมเจ้าคุณกเกษมถามอย่างนึกสนุกคงไม่ไม่พูดมั้งครับในพึ่งตอบตะกุกตะกักแสดงว่าโยมกลัวเมียระที่นั่งถัดจากมหาหนูทายทัก ก็ไม่กลัวหรอกครับเพียงแต่ไม่กล้าบุตรชายในผ่องตอบเสียงอ้ อ, อมแอมเอาละเอาตามาคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วหินจะต้องลากลับเสีทีโยมจะได้พักผ่อนท่านเจ้าคุณเรากลับกันเสีทีดีไหมครับพระอุดมวิชยานบอกเจ้าภาพแล้วหันไปชวนเจ้าคุณเกษมดีเหมือนกันผมชักอยากกลับแล้ว ท่านรู้สึกอึดอัดในท้องอาจเป็นเพราะฉันมากไปนั่นเองถ้าเช่นนั่นก่อนนิมนต์เข้าห้องสุ ข, ขาก่อนนะครับจะได้ไม่ไปปวดกลางทางในผ่องพูดอย่างคนรอบคอบแล้วหันไปสั่งลูกชายว่าพาพระคุณเจ้าไปห้องสุ ข, ขาด้วย เรือแล่นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าคุณเกษมก็เกิดอาการปั่นป่วนในท้องรู้ได้ทันทีว่าปลากุ้งทำพิษเข้าให้แล้วท่านภาวนาขอให้ถึงวัดโดยเร็วเรือแล่นต่อไปได้อีกสักครู่ท่านรู้สึกปวดท้องหนักอยากเข้าห้องสุขาเป็นกำลังแต่ห้องสุขาในเรือก็ไม่มีหรือถ้าจะให้เรือจอดข้างทาง เพื่อขอเข้าห้องสุขาจากบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกรงใจคนทั้งลำเรือจึงได้แต่ปรับทุกกับพระออดมวิชยานว่าผมแย่แล้วกรับเจ้าคุณฉันพลาดกุ้งมากไปหน่อยเลยปวดท้องหนักสงสัยจะท้องเสียทำยังไงดีละ่ะหรือจะให้เรือแวะบานริมน้ำ เกรงใจผู้โดยสารคนอื่นเขาสิครับอีกอย่างผมคงอายแย่หากต้องทำอย่างนั้นเงินก็กำหนดนะกำหนดว่าอดทนหนาอดทนหนานั่งกำหนดไปเรื่อยๆเจ้าคุณโชดกแนะนำเจ้าคุณเกเมทำตามหากก็ไม่ได้ผลเพราะท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติและขาดการฝึกฝน พระอุดมวิชยานรู้สึกสงสารเพื่อนที่เห็นเขากลั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองขณะเดียวกันนึกถึงอนิสงของโภชเนมัตตัญยุต่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนความรู้จักประมาณในการบริโภคทำให้บุคคลได้รับประโยชน์จากการกินการดื่มเพราะการกินดื่มที่มากหรือน้อยเกินไป ย่อมทำให้เก person ิดโทษแก่ร่างกายดังที่เพื่อนภิกษุของท่านกำลังประสบอยู่นี้เจ้าคุณเกษมนั่งบิดไปบิดมาอยู่ในเรือภาวนาขอให้ถึงท่าพระจันทร์โดยเร็วท่านคิดว่าเมื่อเรือเทียบท่าก็จะรีบขึ้นจากเรือเมื่อเรือจอดเทียบที่ท่าพระจันทร์ ผู้โดยสารที่เป็นคฤหอขัดแย่งกันขึ้นก่อนผู้โดยสารที่เป็นพระภิกษุจึงต้องรอเพราะเกรงจะไปชนกับผู้โดยสารที่เป็นสตรีเจ้าคุณเกษมสุดจะกลั้นอีกต่อไปเมื่อผู้โดยสารที่เป็นคฤหอขัดขึ้นหมดแล้วท่านจึงก้าวขึ้นเป็นรูปแรกและพลัดตกลงไปในแม่น้ำพระภิกษุอีก8ดรูปต่างพากันตกใจคิดว่าท่านก้าวพลาด ครั้นท่านว่ายน้ำเข้ามาจึงพากันฉุดขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารชุดใหม่ที่กำลังจะลงเรือเจ้าคุณเกษมตัวเปกปอนพาตรจีวอนมีน้ำหยดลงมาเป็นสายๆขณะเดินกลับวัดเจ้าคุณโชดกพอจะรู้เท่าทันเพื่อนภิกษุก่อนแยกกันกลับคณะของตนจึงกระซิบถามว่าเจ้าคุณผมถามจริงๆเถอว่าเมื่อตะกี้ เป็นอุบัติเหตุหรือว่าจงใจเจ้าคุณเกษมก็กระซิบตอบว่าเจ้าคุณถามจริงๆผมก็ต้องตอบจริงๆว่ามันทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่ทำอย่างนั้นผมก็อายโยงเขาแย่พอลงน้ำเสร็จแล้วก็สบายใจทั้งถายทั้งล้างเสร็จสับทีนี้ผมจะจำไปจนวันตาย เวลาจะชั้นอะไรก็จะนึกถึงโพชเนมตัญยุตตาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเจ้าคุณวัยสี่สิบบอกเพื่อนภิกษุวัยเดียวกัน